การสะกดจิตระยะที่สองได้กระทากันที่บ้านของฟอดเองโดยมีบุตรชายอายุ23ปีของฟอรดเป็นพยานอยู่ด้วยการสะกดจิตระยะนี้ทาได้ลึกมากจนกระทั่งฟอรดสามารถระลึกย้อนหลังไปได้อีกชาติหนึ่งฟอดได้อุทานว่าผมได้กลิ่นมา้าคำอุทานนี้ในตอนนั้นยังไม่มีใครทราบว่ามีความสาคัญเพียงใด